เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรมยาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นมานังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันหยุดชดเจยวันสง ก, การานเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสได้กำไรได้มีเวลามาเสริมความเป็นเสีมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส อ, สอนไว้ก็คืออาเซวนาจบาลานัง บันดิตานันจาเสมานานบูชาจะบูชริยานังเอตังมังกลมุตตะมังการมามาไม่คบคนผ่านการคงบัณฑิตการบูชาบุคคลที่สมควรแต่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต อันนี้พวกเราได้มาคบทันฑิตเราไม่ไปคบคนผ่านเรามาบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบงคลก็จะเกิดกับชีวิตของเราคำว่าบัณฑิตนี้ก็คือคนฉลาดคำว่าคนผ่านก็แปลว่าคนโง่ คนฉลาดเป็นอย่างไรคนฉลาดก็คือคนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณคนที่รู้เหตุรู้ผลก็คือรู้ว่าการกระทาอย่างไรทำให้เกิดผลอย่างไรขึ้นมา เชนบัณฑิตจะรู้ว่าการทําบุญการทําะทำดีนําความสุขความจเจริญนําสวรรค์มาให้คนทําบาปการทําบาปเป็นการนําความเสื่อมเสียนําความทุกข์นำอบายนํานรกมาให้ถ้าได้คบกับบัณฑิตบัณฑิตก็จะชวน ให้ไปทำในสเสงที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่จนชวนให้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนี่คือทางของคนฉลาดการกระทาของคนฉลาดเพราะรู้ว่าการกระทาเหล่านี้ จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญส่วนคนพาลหรือคน ง, งน่อนี้จะชวนให้ไปเล่นการพนันชวนให้ไปดื่มสุรายาเมลชวนให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆชวนให้มีความเกียรติ้างชวนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกโหกหลอกลวงนะเสพสุรายาเหลนี่คือการกระทำของคนพานของคนโง่อพอไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการนำมาซึ่งความเสือ่อมเสียนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งอบายและนรก คนคนที่รู้สิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเวลาเรามาวัดก็ถือว่าเราได้มาคบกับบัณฑิตถ้าเราไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปบ่อนการพรนันไปตามแหล่งที่มีการจำหน่ายสุรายาเมา ก็แสดงว่าเรากาลังไปคบกับคนงอถ้าเราคบกับคนงอคนงอก็จะดึงเราไปทางของคนงอถ้าเราคบกับคนฉลาดคนฉลาดก็จะดึงไปในทางฉลาดถ้าคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอาหารหันตสาวกท่านก็จะดึงให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ พาให้เราไปเกิดในสวรรค์ไปพาให้เราไปเกิดในพระนิพพานไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปคบกับคนพาลคนชั่วคนไม่ดีคนโง่เขาก็จะเดินเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรไปตกนรก ถ้ามีชีวิตยอยู่ก็หนึ่งเราไปติดคุกติดตารางหนึ่งเราไปขึ้นศาลหนึ่งเราให้ต้องคอยหลบหนีหนีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือการกระทําที่จะทําให้เกิดมงคลขึ้นมาก็คือให้เราครบบัณฑิตไม่ให้เราครบคนผ่าน บัณฑิตและคนพานนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันบัณฑิตที่อยู่ข้างนอกคนพานที่อยู่ข้างนอกและบัณฑิตที่อยู่ข้างในคนพานที่อยู่ข้างในคนที่อยู่ข้างนอกก็คือคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงต่างๆมีทั้งที่เป็นบัณฑิตและมีทั้งที่เป็นคนพาน คนที่ชวนเราไปทำบุญชวนเราไปรักษาศีลชวนเราไปปฏิบัติธรรมชวนเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตส่วนคนที่ชวนเราไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นกนารพนานไปคบคนชั่วเป็นมิตรไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง ชวนให้เรามีความเกียดข้านชวนให้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิด ต, ตวัวแหโกหกหลอกลวงนี้เป็นคนพาลที่เราไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยเราอย่าไปเสียดายกับคนเหล่านี้ไม่ต้องไปเกงใจเขาเขาชวนเรากินเหล้าเราอย่าไปกิน ถ้าเขาไม่อยากจะคบกับเราเป็นมิตรก็ดีแล้วเพราะว่าคบกับคนแบบนี้มีแต่ขาดทุนไม่มีกำไรไม่ต้องเสียดายคนแบบนี้มีคนดีมากมายต่ายกองในโลกนี้ที่เราสามารถครบพาสมาคมได้คบกับคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อย่าไปเสียดายถ้าเขาชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราอย่าไปทำเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวเสียเพื่อนนี่หาใหม่ได้เสียตัวแล้วนี่แก้ยากดังนั้นเราต้องรักษาตัวเราให้ดีรักษาตัวเราด้วยการครบคนดี เพราะคนดีจะไม่ชวนให้เราไปทำให้เราเสียตัวนั่นเองแต่จะทำให้เราได้เป็นคนดีได้กำไรได้ความสุขได้สิ่งที่ดีต่างๆตามมาดังนั้นเวลาคบค้าสมาคมกับคนขอให้เราดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรอย่าไปดูที่ฐานะการเงินของเขา อย่าไปดูที่การศึกษาของเขาว่าเขาติดจบปริญญาระดับไหนจบเรียนหนังสือจบชั้นไหนอย่าไปดูรูปร่างหน้าตาของเขาอย่าไปดูฐานะการเงินการทองของเขาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี ขอให้เราดูพฤติกรรมของเขาถ้าเขาเดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรับทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของคนพาลของคนง่อของคนไม่ดีคนง้อคนพาล น, นี้ก็เป็นเหมือน ขออยะมุลฝอยนี่เราไม่อยากเข้าใกล้เพราะมันจะทำให้เราสกปรกไปด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเกรงใจเขาเราก็จะต้องทำตามเขาพอทำแล้วเราก็จะเป็นคนไม่ดีไปดังนั้นเราต้องคบคนดี คนดีก็คือคนที่มีความเมตตากรุณามีมุดิตามีอุเบกขามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่ให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมไม่อาฆาตพยาบาทเป็นคนใจบุญสนทานเป็นคนที่รักษาศีลเป็นคนที่ ปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเป็นคนที่เข้าวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าคบกับคนเหล่านี้เขาก็จะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่เขาทำเมื่อเราทำตามเราก็จะได้ผลที่ดีตามมาได้ความสุขความเจริญได้เกิดในทบชาติที่ดี รู้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าได้คบกับบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเช่นไ ด, ไ, ด ไ, ดได้คบกับพระพุทธเจ้าได้คบพระอรหันต์ตัศได้พบกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้พบกับความสุขที่ถาวรก็คือปรมังสุขขังนี่คือเรื่องที่เราต้องสังเกตเราต้องคอยตรวจตราดูอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เราครบกับคนชนิดไหนถ้าเราครบกับคนไม่ดีก็ควรจะถอนตัวออกถ้าคบกับคนดีก็ควรจะเกาะติดกับเขาไป นี่คือบัณฑิตกับคนพาลภายนอกเรายังมีบัณฑิตกับคนพาลอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือบัณฑิตกับคนพาลภายในภายในตัวเราภายในใจเราเราต้องดูว่าในตัวเรานี้มีบัณฑิตหรือมีคนพาลก็คือดูว่าใจของเราชอบทาบุญ หรือชอบทำบาบชอบรักษาศีลหรือไม่ชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรมหรือไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมชอบชอบปฏิบัติธรรมหรือไม่ชอบปฏิบัติธรรมชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุรายาเมาชอบความเกียดคร้าน ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติประเวณีโกโหกหลอกลวงหรือไม่อันนี้เป็นบัณฑิตเป็นคนพาลภายในซึ่งน่ากลัวกว่าบัณฑิตกับคนพาลภายนอกน่ากลัวกับคนพาลภายนอกเพราะคนพาลภายนอกนี้เรายังพอที่จะอยู่ห่างไกลจากเขาได้แต่คนพาลภายในนี้ เราอยู่ห่างไกลจากเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่ในใจเราเราต้องใช้ธรรมะของพ่อพระพุทธเจ้ามาช่วยเราถึงจะสามารถอยู่ห่างไกลจากคนพานภายในได้เช่นเราต้องฝึกเจริญสติควบคุมความคิดของเราอยู่เรื่อยๆให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธ ไว้อยู่เรื่อยๆหรือให้ส่วนผลไว้เรื่อยๆหรือให้ท่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้มีเครื่องมือต่อสู้กับคนพาลเช่นเวลาคนพาลภายในจะชวนเราไปดื่มสุราชวนเราไปเล่นการพนัน ชวนเราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆชวนให้เรามีความเกลียดคราถ้าเราต้องการที่จะอยู่ห่างกกลจากเขาเราก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้เช่นพระเจ้าสอนไม่ให้เราเล่นการปรนันสอนไม่ให้เราเสพสุรายาเมาสอนไม่ให้เราเที่ยวกลางคืน สอนไม่ให้เราครบคนชั่วเป็นเว้นสอนไม่ให้เรามีความเกลียดครงถ้าเราเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้เราก็จะสามารถสู้เขาได้ทําให้เขาหายไปจากใจของเราได้ถ้าเราไม่มีกําลังพอที่จะใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้เราก็ต้องใช้การ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธคืออย่าให้เราไปคิดถึงเรื่องการไปทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเวลาเกิดความคิดอยากจะทําอะไรไม่ดีก็ให้เราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปได้เรื่อยๆความคิดอยากจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปได้ แต่การที่เราจะบริการได้นั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนเราต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่มาทำตอนที่เราคิดถึงการจะไปทาสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพราะถึงเวลานั้นเราจะไม่มีกำลังสู้กับได้เราต้องฝึกทําก่อนเช่นในวันในเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดทาภารกิจการงานก็ขอให้เรา บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ขอให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วต่อไปเราจะมีกำลังเวลาที่มีความคิดไม่ดี มีคนพาลมาชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ยุติได้หยุดได้ด้วยการบริกรรมหรือด้วยการใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้นี่คือการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตขอให้เราพยายามนำเอาไปปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ดีต่างๆเช่นความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายก็จะเป็นผลตามมาส่วนข้อที่สามที่ทรงสอนก็คือให้เราบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาปูชาปูชาจะมียานังเอตัมมังกรมุตตะมังบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือ บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐเพราะท่านเป็นผู้ให้เราอย่างเดียวท่านไม่เคยต้องการอะไรจากเราท่านต้องการให้เรามีความสุขความเจริญมีความเป็นสิริมงคลท่านจึงทุ่มเท ชีวิตของท่านให้แก่เราเช่นบิดามารดาก็เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลงบากยอมอดยาขาดแคลนเพื่อให้ลูกไม่อดยาขาดแคลนยอมตัดตากระทําการงานต่างๆเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้มีการศึกษาได้มีความรู้ เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนต่อไปเช่นเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีแต่ให้ให้ธรรมะที่เป็นแสงสว่างเพื่อที่จะได้นำพาชีวิตของพวกเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายให้เราได้เข้าใกล้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริง ละถา้าวต่อไปบุคคลเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่เราควรที่จะทําการบูชาเพราะการทําการบูชานี้จะเกิดผลดีกับเราการบูชาที่จะเกิดผลดีนั้นต้องเป็นปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตสบูชานี้เป็นเพียงการแสดงความเคารพ แต่ยังไม่เกิดผลที่ดีกับเราเช่นเรากราบพระอย่างนี้จุดธูปเทียนเอาดอกไม้มาบูชาอย่างนี้เป็นการแสดงความเคารพแต่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราอยากจะได้มงคลได้สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชา พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชานี่แหลเป็นการบูชาที่แท้จริงก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาริยสงสาวกของบิดามารดานั่นเองถ้าเราปฏิบัติตามได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะบิดามารดา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสอนให้เราทําความดีกันสอนให้เราไม่ทําบาปสอนให้เราชําระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปสอนให้เราคบบัณฑิตสอนไม่ให้เราคบคนพาลถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่านแล้วผลที่ดีก็จะตามมาต่อไป ในช่วงเทศกาลสงการนี้เราก็มีทำเนียมบูชาพระคุณของบิดามารดาด้วยการมาวัดเพื่อมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนี่แล้วเรียกว่าการบูชาที่แท้จริงบูชาด้วยปฏิบัติบูบบชาเพราะเมื่อเราได้ปฏิบัติ แล้วผลดีต่างๆก็จะเกิดตามมาใจเราจะดีขึ้นสะอาดขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือเรื่องของความเป็นิีลมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันขอให้เราทำกันอยู่เรื่อยๆอย่าทำแต่เฉพาะในช่วงเทศกาล วันสาคัญต่างๆเท่านั้นเพราะการกระทำความดีนี้ก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่ใจของเราเราก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับการให้อาหารกับร่างกายเราให้อาหารกับร่างกายเราทุกวันวันละสามสี่ครั้งเราก็ควรที่จะให้อาหารกับใจของเราทุกวัน วันละสามสี่ครั้งเช่นเดียวกันเช่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ควรที่จะปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมกันก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจ ต, ต่างๆพอเราออกจากบ้านเราก็ทำบุญใส่บาตรหรือทำทานแล้วเราก็รักษาศีล รักษาศีลไปทั้งวันเวลากลับมาตอนเย็นกลับมาบ้านหลังจากที่เสร็จภารกิจต่างๆเราก็อาบ น, น้ำอาบท่าก่อนจะเข้านอนเราก็ปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอย่างอย่างทุกวัน รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความเจริญมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความเสื่อมเสียน้อยลงยาอย่ามาอ้างว่าเราไม่มีเวลาเพราะเรามีเวลาแต่เราเอาไปใช้ทำอย่างอื่นเอาไปใช้ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราไม่เป็นมงคลกับเรา เช่นการดูโทรทัศน์อย่างนี้ดูละครดูหนังหรือฟังเพลงการกระทำเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจเกิดประโยชน์กับกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากเพราะเมื่อดูแล้วก็จะมีความโลภอยากจะดูเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่ดูแล้วก็จะไม่มีความโลภอยากจะดูอยากจะฟัง แล้วเมื่อมาปฏิบัติทำใจให้สงบก็จะมีความอิ่มมีความสุขมากขึ้นมีความหิวมีความอยากน้อยลงเมื่อเรามีความอยากน้อยลงเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรเมื่อเราไม่ใช้เงินใช้ทองเราก็จะมีเงินเหลือมาก เราก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวการที่เราไม่รวยกันเพราะว่าเรามีความอยากมากอยากได้มากอยากใช้เงินมากนั่นเองเราเลยไม่ค่อยมีเงินพอใช้กันแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากเรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว ใจของเราจะมีความอยากน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีการจะต้องใช้เงินใช้ทองทำตามความอยากเราก็จะมีเงินทองเหลือเยอะเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้นี่คือภูอานิสงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติอย่างน้อยวันละสองครั้ง ทั้งช้าทั้งเย็นแล้วก็ทำทางตามโมกขาแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติกระทํากันทุกวันแล้วชีวิตของเราจะมีความเป็นศีลมงคลชีวิตของเราจะไม่ตกต่าจะไม่ต้องไปติดคุกติดตลาดจะไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นศีล จะไม่ต้องไปมีปัญหาต่างๆกับใครทั้งนั้นเพราะเราไม่มีความอยากที่อยากจะไปทำอะไรต่างๆนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเติมมงคลให้แก่ชีวิตของเราในวันหยุดนี้เพื่อให้ท่านได้มีความสุขและความเจริญ